อีกอย่างหนึ่งมีสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ว่าคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกข์ดังนี้เพิ่งมีคำถามสอดเข้ามาว่าภิกษุนี้ท่านทั้งหลายสามารถจะกระทำโดยประการที่ละแล้วจะไม่ถึงทุกข์ได้หรือไม่อะ น, นะไปทําให้เขาบริสุทธิ์ไม่ต้องไปตกนรกได้ไหมตอบว่าไม่ได้ถามว่าเพราะเหตุไร ตอบว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีก็พึงเป็นหลุมคูดที่เต็มไปด้วยคูดนะนะคือถ้าหลุมคูดสมัยใหม่นะมันเป็นท่ออาจจะเอามาแช่น้ําหรืออาจจะเอามาอาจจะพอจัดสามารถทําให้สะอาดได้ไหลุมโบราณเนี่ยนะมันก็คือหลุมดินใช่ไหมหลุมดินซึ่งคนถ่ายถ่ายที่นี้ถ่ายทับถมมาเป็นปีๆเนี่ยนะหลายๆปีอะ่ะจะใช้อะไรไปล้างหลุมอันนั้นให้มันหายกลิ่นให้มัน ให้มันสะอาดเนี่ยนะโอ้โหทยากเหมือนกันผู้ที่หมัก ม, มมขนาดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะกล่าวผิดธรรมผิดวินยัยพาคนนําชั่วมาหล้ๆสิบปีเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วพอเปลี่ยนไม่ได้ก็ชําระไม่ได้พอชําระไม่ได้ก็จากอบายสู่อบายจากที่มืดสู่ที่มืดจากคันสู่คันเนี่ยนะก็จากนรกสู่นรกนั่นแหละเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก่อนทีเดียวว่าพิสูจทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงรู้จักบุคคลเห็นปานั้นผู้อาศัยเรือนคือเพิงทราบบุคคลเห็นปานั้นผู้อาศัยกามาคุณทั้งห้าผู้เชื่อว่ามีความปรารถนาลามกเพราะประกอบด้วยความปรารถนาลามกอันเป็นไปโดยอาการคือปรารถนาคุณที่ไม่มีจริงเนี่ยนะคำว่าปรารถนาลามกเนี่ยตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีอะไรสักอย่าง แต่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่มีศรัทธาอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าฉันนี่มีศรัทธานะอย่างนี้แหละเรียกว่าปรารถนาลามกไม่ได้เจริญสมถาวิปัสสนาอะไรหรอกแม่แต่เดินแม่อยากให้คนรู้ว่าฉันเนี่ยเดินแบบคนมีสมาธินะฉันเนี่ยเดินแบบคนมีวิปนะัสสนาเนี่ยงั้นนะก็คือพยายามที่จะสร้างภาพให้คนเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีดีเนี่ยนะทั้งทั้งที่ไม่มีหรอกอย่างนี้เรียกว่าปรารถนาลามก ผู้ชื่อว่ามีความดําริชั่วเพราะประกอบด้วยความดําริทั้งหลายมีการมวิตกเป็นต้นเนี่ยนะคิดถึงรูปเสียงกลี่นรสเนี่ยนะวนๆอยู่นั่นแหละผู้ชื่อว่ามีความประพฤติชั่วเพราะประกอบด้วยความประพฤติชั่วมีความประพฤติล่วงศีลอันเป็นไปทางกายเป็นต้นอันต่างประเภทมีการให้ไม้ไผ่เป็นต้นเพื่อประจบชาวบ้านเนี่ยนะก็ก็ทำทำอะไรก็ได้ที่มันให้ชาวบ้านเขาประทับใจอ่ะนะเช่น ให้สมัยก่อนก็ให้ใบไม้ให้สบู่ให้กลุ่มเนี่ยพวกข้าวของเครื่องใช้ไปดีไม่ดีหนักกว่านั้นให้ของสงนะนะเอาของสงมาแจกไปหมดให้เตียงตังค์พวกมอนแล้วแต่จะให้ะนะเรียก ว, ว่าสรรหาบาปมาให้ตัวเองเรื่อย ๆ, ๆ, ๆผู้ชื่อว่ามีโคจรอันชั่วเพราะการท่องเที่ยวไปในที่ไม่ดีในที่ไม่สมควรมีสำนักหญิงแพทย์สยาเป็นต้น ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้สามัคคีกันเว้นบุคคล น, นั้นเสียและอย่าถึงความขวนขวายน้อยด้วยเหตุว่าการเว้นพิกษุนั้นเท่านั้นก็บอกว่าให้เว้นภิสูุนั้นโดยการโคบหาสมาคมแต่โดยที่แท้ท่านทั้งหลายจงกำจัดบุคคล น, นั้นผู้เป็นเพียงดังกแกลบนะนะจงคร่าบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อไปเสียคือจงคร่าบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อโดยไม่ต้องใยดีประดุดอยากเยื่อ ลากวาดขยะทิ้งไปเนี่ยเสียดายขยะไหมบอกว่าฉันดาพิสูจเช่นเนี่ยขจัดออกไปเลยไม่ต้องไปอะไรอาวรลอะไรรอกจงฆ่าบุคคลผู้เป็นเหมือนแกลบเหมือนพระราเหมือนราชบุรุษคือทหารฆ่าคนจันทานที่เป็นโรคเรื้อนมีแผลแตกไหลออกผู้เข้าไปในถ้ำกลางแห่งกษัตริย์เป็นต้นเหมือนกับกษัตริย์กํลาลังประชุมกันน่ะนะจันทานโรคเรื้อนด้วยมาถ้ำกลางเนี่ยเขาขับออกโดยไม่ต้องอะไรอาวรลอะไรเลย เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจับบุคคล น, นั้นที่มือหรือที่ศีรษะแล้วก็ข้าวออกไปเหมือนอย่างพระมหาโมกขลานะจับปาปะบุคคล น, นั้นที่แขนดึงออกไปจากซุ้มประตูภายนอกแล้วก็ใส่ลั่นดานคือใส่กุญแจไว้เลยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณพรรษาหลังยี่สิบมาแล้วเนี่ยนะคือ20พรรษาหมายถึงพระพุทธสมัยพุทธกาลอ่ะมีวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพระพุทธเจ้าปกติพระ อ, องค์จะแสดงโอวาทปาติโมกษ์นี้วันนั้นเนี่ย พระองค์ก็ตรวจดูบริษัทก่อนมีพิกษุปาราชิกอยู่ในนั้นรูปหนึ่งเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ไม่สวดนะนะไม่แสดงโอวาทปาติโมกสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสี่ทุ่มก็แล้วพระอ น, นุลก็เตือนบอกสี่ทุ่มแล้วพระเจาา้าค่าพระองค์ก็เงียบตีสองแล้วพระเจาา้าค่ะพระองค์ก็เงียบบอกว่าสว่างแล้วพระเจาา้าค่าพระองค์ก็บอกว่าอน น, นุ์บริษัทไม่บริสุทธิ์นะนะนั่งทั้งคืนในคืนนั้นไม่ได้แสดงปาติโมกแบบพระ อ, องค์ก็ พระมหาโมคคลานะก็ตรวจดูจิตมีพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยเป็นประราชิกกันนะท่านก็บอกว่าอาวุโสพระพุทธเจ้าเห็นท่านแล้วท่านจงออกไปเถอะใช้เงียบเลยนะบอกครั้งที่หนึ่งก็เงียบบอกครั้งที่สองก็เงียบบอกครั้งที่สามเงียบ น, นะท่านคิดว่าเดี๋ยวพระโมคคลานะคงจะเลิกพูดไปเองแหละพระโมคคลานะไม่อย่างนั้นเลยจับที่แขนเนี่ยฉุดออกไปเลยฉุดออกไปนอกซุ้มประตูแล้วปิดกุญแจว่างั้นตอนนี้บริษัทบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าข่าวว่างั้นนะ บอกว่าฉุดออกจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าภิกษุอย่างเนี้ยให้ฉุดออกอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปอะไรหรอกกว่าอนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงคร่าบุคคล น, นั้นเสียฉันนั้นเพราะเหตุอะไรเอาทําไมต้องไล่บุคคลชนิดนั้นออกไปตอบว่าชื่อว่าสังขารามเขาสร้างไว้สําหรับผู้มีศีลทั้งหลายไม่ได้สร้างเอาไว้สําหรับคนที่ทุศีล น, นะเวลาเวลากล่าวถวายเสน า, สนาสนะเนี่ยนะมายาณีม่ยังพันเตะนะ แล้วก็กล่าวบอกขอให้ภิกษุที่ไม่มีศีลทั้งหลายที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วอยู่เป็นสุขเนี่ยนะมีใครสร้างกุฏิและปรารถนาอย่างนั้นบ้างในนี้นะคือถ้าบอกไม่มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาก็แปลว่าที่พักนี้ฉันสร้างเพื่อว่าโจรทั้งหลายที่ยังไม่มาก็ขอให้มาโจรทั้งหลายที่มาแล้วก็จงชุมนุมอยู่กันเถิดอันนั้นไม่มีใครประสงค์จะทําแบบนั้นใช่ไหมสังฆารามทั้งหลายเขาสร้างให้คนมีศีลเพราะฉะนั้นสังเกตดูจากคําถวายนะ บอกว่าสร้างให้สง์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสีที่มาแลว้วนะก็ขอให้อยู่เป็นสุขที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเนี่ยนะก็เวลากล่าวก็กล่าวแต่อย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นบอกว่าคนที่ไม่มีศีลเนี่ยข้าออกไปเลยท่านว่างนันต่อแต่นั้นไปท่านทั้งหลายจงขับบุคคลผู้รีบผู้ไม่ใช่สมณะแต่ถือตัวว่าเป็นสมณะออกไปเสียเหมือนอย่างว่าข้าวรีบทั้งหลายแม้ปราศจากข้าวสารในภายใน แต่ก็ปรากฏเหมือนข้าวเปลือกเพราะมีแกลบอยู่ข้างนอกฉันใดปาปะพิสุทั้งหลายก็ฉะนั้นแม้เว้นจากคุณสมบัติมีศีลเป็นต้นในภายในแต่ก็ปรากฏเหมือนกับภิกษุด้วยบริขารมีผ้ากาสาวะเป็นต้นในภายนอกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าตลาปาตลาปานี้แปลว่าคนรีบท่านทั้งหลายจงคราบบุคคลรีบนั้นไปเสียคือจงโปรยไปได้แก่จงกําจัดบุคคลรีบเหล่านั้นเสีย ซึ่งไม่ใช่สมณะโดยประมาติคือโดยสภาวะคือไม่มีคุณเครื่องแห่งความเป็นสมณะแต่สำคัญตนว่าเป็นสมณะในภาวะศักวะเพศครั้นกำจัดผู้มีความปรารถนาลามกผู้มีอาจาระและโคจรอันลามกได้แล้วอย่างนี้เธอทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วมีความเคารพกันและกันจงสำเร็จการอยู่ร่วมกันกับบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายผู้บริสุทธิ์อย่างนี้แล้วสําเร็จอยู่ด้วยกับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพียงกันโดยความเป็นผู้มีทิฏฐิและศีลเนี่ยเสมอกันเป็นผู้มีปัญญารักษาตนด้วยปัญญาที่ถึงความแก่รอบโดยลำดับท่านทั้งหลายก็จะทำที่สุดแห่งทุกมีทุกข์ในวัฏฏะเป็นต้นทั้งหมดนะนะอันนี้เป็นข้อความในกปิละสูตรน่นะทีนี้ พอพระ อ, องค์ตรัสสูตรนี้จบพระ อ, องค์ก็ตรัสเป็นคาถาในคาถาธรรมบท น, นะคือในเหตุการณ์ที่เดียวเนี่ยนะเวลาทําสังขารนาแล้วพะระเถระคือพระ อ, อนนนเป็นต้นท่านจะจัดไว้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างด้วยเหตุผลของท่าน น, นะด้วยเหตุผลเพื่อสะดวกต่อการศึกษาต่อการเรียนรู้อ่ะแต่ว่าเวลาเราศึกษาเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องตามว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอะไรบ้างเทศอะไรบ้างอย่างในเรื่อง ลากปิละในคาถาธรรมบทเนี่ยนะก็มีกล่าวในกปิละสูตรหรือธรรมจริยสูตรเสร็จแล้วพอตรัสสูตรนี้จบพระองค์ก็แสดงคาถาในคาถาธรรมบทเนี่ยนะในคาถาธรรมบทมีกล่าวว่าตันหาดุดเถาย่านทรายย่อมเจริญแก่คนผู้มีปกติประพฤติประมาทเนี่ยนะตันหาเหมือนเถาย่านทรายก็ถ้าใครเป็นชาวสวนหน่อยก็จะรู้นะถ้าปล่อยให้พวก ไอ้วัดจะพืชที่มันมีเถาอะนะขึ้นขึ้นขึ้นไปมันก็จะมาคลุมหมดเลยนะมันไอ้ตันหานี่ลักษณะเดียวกันเวลามันขึ้นนะมันจะเป็นเถาแล้วก็เริ่มพันพันพันพันในที่สุดมันจะหักแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่ๆมันก็หักลงได้เนี่ยนะอย่างที่รีสอร์ทพุการก็จะเห็นหลายต้นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวว่างๆก็ไอ้เถาพวกนี้มันจะถุดต้นไม้เนี่ยหักลงมาเต็มถนนหมดเลยเนี่ยนะมันพวกเถามันเป็นลักษณะนั้นตันหาก็เหมือนกันเหมือนกัน ย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีผู้มีปกติประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่เหมือนวานอนปราถนาผลไม้แล้วก็เร่ร่อนไปในป่าฉะนนั้นมาเหมือนลิงเที่ยวสแสวงหาผลไม้ตัณหานี้เป็นธรรมชาติลามกมักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น ถ้าตันหาแทรกตั้งกระแรกนะต่อไปให้รู้เธอว่าชีวิตของเขามีแต่ความโศกเป็นเบื้องหน้ามีแต่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าตอนแรกมันดีอะนะแต่ว่าตอนหลังจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะเหมือนหญ้าคมบางอันฝนตกรดแล้วก็ย่อ ม, มงอกงามขึ้นฉะนนั้นนะถ้า มันมีหญ้าบางชนิดเนี่ยถ้าถ้าปล่อยให้มันงอกหน่อยหนึ่งแล้วฝนตกมานะมันจะงามงามงามงามงามจนเดินเข้าไปไม่ได้มันจะบาดไปหมดนะนะคล้ายๆกับหญ้าคานะกลุ่มหญ้าคาแต่มันมีหญ้าบางอย่างที่มันคมกว่าหญ้าคาและใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะแต่ผู้ใดย่ำยีตันหานั้นซึ่งเป็นธรรมชาติลามกยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้ ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะนั้นนะถ้าใครกําจัดตันหานี้ได้นะก็จะพ้นจากความเศร้าโศกเหมือนน้ําตกจากใบบัวหมายว่ามันไม่เปื้อนในใบบัวเลยเพราะฉะนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าให้พรก่อนนะให้มีความเจริญกันนะเหมือนนบรรดาที่มาประชุมกันแล้วในที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตันหาเสียเถิด บอกเลยว่าสาเหตุของวัฏฏะทุกข์จริงๆอ่ะคือตันหาคือสมุทัยอย่างเดียวถ้าขุดจงขุดอันนี้แหละถ้าขุดอันนี้เสียก็พ้นทุกข์ได้ประหนึ่งผู้ต้องการแฝกขุดยาคมบางเสียฉะนั้นมารยาระรานทั้งทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ํำระรานไม้อ้อฉนั้นเน่ยนะท่านจะให้มัจจุมานเป็นต้นเนี่ยนะระลานบ่อยๆ อย่าไปเกิดบ่อยแก่บ่อยเจ็บบ่อยตายบ่อยๆทีนี้ถ้าตายจากอบายสู่อาบายนี่อย่าไปบ่อยๆแบบนั้นเลยมาอนกันก็ความในอัตถกถาที่บายว่าบทว่าปรมัตตจาริโนความว่าฌานไม่เจริญเทียววิปัสนามรคลก็ไม่เจริญแก่บุคคลผู้มีปกติประพฤติประมาทด้วยความประมาทมีการปล่อยสติเป็นลักษณะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ศีลก็ไม่เกิดวิปัสสนามักผลอะไรก็ไม่เกิดเลยในเวลาที่ประมาท ถ, ถามว่าประมาทคืออะไรคือการปล่อยจิตไปในการมคุณทั้งหลายเนี่ยนะการปล่อยจิตเพลดิดเพลินในการมคุณนั่นแหละเรียกว่าประมาทอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าเครือเถาย่านทรายร้อยรัดรึงรัดต้นไม้อยู่ย่อมเจริญเพื่อความพี่นาศแห่งต้นไม้ฉันใดตัหาก็ฉันนั้นชื่อว่าย่อมเจริญ แก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยทวารทั้ง6แล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆตัญหาเวลามันจะไหลออกไหลทางนะทวารตานะแต่ถ้าเขียนโดยวิธีมันจะเหมือนจะไหลเขา้าใช่ไหมแต่ถ้าเขียนแบบธรรมดาก็มันก็เหมือนกับไหลออกนะมันไหลออกมาทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจนะบางทีถ้าถ้าใช้คําว่าอาสวะจะชัดเพราะมันไหลใช่ไหมไหลทางทวารตาก็คือสอดสายตาด้วยอํานาจของโลภะเงี้ยหูฟังด้วยอํานาจของ โลภาเนี่ยนะสูดดมด้วยอา น, นาจของโลพาตันหาก็ไหลออกตามทวารต่างๆถามว่าถ้ามันเกิดแบบนี้บ่อยๆในทวารต้องบอกเพื่ออะไรเพื่อความพินาษแก่บุคคล น, นั้นนั่นแหละตอนแรกมันดีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเบื้องท้ายสุดมันไม่ดีมาพระคาถาว่าโซอนนะประลวัตีหุราหุรังความว่าบุคคลนั้นคือผู้เป็นไปในคติแห่งตัหา ย่อมเร่ร่อนคือแล่นไปในพบน้อยพบใหญ่ถามว่าเร่ร่อนไปเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนลิงอ่ะตัวปรารถนาผลไม้แล้วก็กระโดดไปในป่าฉะนั้นนะถ้าป่าใหญ่ๆหน่อยนะจากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งจากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งมันก็กระโดดไปเรื่อยอธิบายว่าลิงเมื่อปรารถนาผลไม้ย่อมโลดไปในป่านะโลดนี่เป็นภาษาขเขมร น, นะมาจากคําว่าลูดลดแปลว่ากระโดดเนี่ยนะมันกระโดดไปในป่า มันจับกิ่งไม้นั้นแล้วก็ปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งแล้วก็จับกิ่งอื่นย่อมไม่ถึงความเป็นสัตว์ที่บุคคลกล่าวได้ว่ามันไม่ได้กิ่งแล้วก็นั่งเจ่าอยู่เป็นไปได้ไหมต้นไม้กระโดดไปในป่าใหญ่ๆเนี่ยนะมันหมดกิ่งไม้ที่จะกระโดดมันจะมีไหมไม่มี น, นะบุคคลผู้เป็นไปในคติแห่งตันหาก็ฉันนั้นเหมือนกันเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ย่อมไม่ถึงความเป็นผู้ ที่คาไพูดได้ว่าเขาไม่ได้อารมณ์จจึงถึงความไม่เป็นไปตามความทะเยอทะยานโอ้โหชอบจนหมดอะไรให้ชอบมีไหมไม่มี น, นะถ้ามันชอบไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะชอบถึงความหลังที่เคยผ่านมาอีกนั่นแหละมันก็วนอยู่นั่นเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ภูมิรัตทุปปณะเนี่ยนะไอ้อุปาทานขันห้าทั้งหมดอะ่ะเป็นที่ท่องเที่ยวของของตัณหาและอุปาทานขันห้าไม่ใช่มีภายในอย่างเดียวใช่ไหม มีภายนอกด้วยแล้วภายในภายนอกไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวมีอดีตด้วยแล้วยังมีอนาคตที่จะเกิดต่อไปด้วยเนี่ยนะแล้วมีจักรวาลเดียวไหมไอสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีสี่อย่างใช่อาสงไขยมีสี่หนึ่งอ่านะจักรวาลไม่มีที่สุดสองอากาศไม่มีที่สุดสามหมู่สัตว์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นชอบไปไม่มีวันเต็มอ่ะนะเพราะฉะนั้นคิด มีบางลัที่ก็ถือว่าเวียนไหวตายเกิดพอไปถึงที่สุดระยะหนึ่งมันจะบรรลุเองนะเขามีรัฐที่แบบนั้นนะว่าท่องเที่ยวไปเรื่อยเดี๋ยวจะบริสุทธิ์เองอันนี้ไม่ใช่นะก็ไต่ไปเรื่อยเวียนไหวตายเกิดไม่มีจบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรื่อยเยเดี๋ยวพวกเขาพาไปบรรลุเองอันนี้ไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่มีหรอกที่มันจะหมดอารมณ์ให้ชอบนะมันคิดไปเรื่อยแหละ บอกว่ายังเป็นต้นความว่าตันหาอันเป็นไปในทวารหกนี้ชื่อว่าลามกเพราะเป็นของชั่วนะตันหามันไหลเลในทวารห ก, ก น, นะซึ่งนับว่าวิสติกาเพราะความที่ตันหานั้นเป็นธรรมชาติซ้านไปคือว่าคล้องอยู่ในอารมมีรูปเป็นต้นนะอุปมาตันหาเนี่ยเหมือนอาหารเจือด้วยยาพิษเนี่ยนะมันอร่อยก็จริงแต่มันมีพิษ เหมือนดอกไม้เจือด้วยพิษเนี่ยนะดอกไม้กลิ่นหอมหอมไปดมดอกไม้บางอย่างเนี่ยนะดมแล้วเมาเลยนะตอนแรกมันหอมดีดอกเหมือนผลไม้เจือด้วยยาพิษเหมือนเครื่องบริโภคที่เจือด้วยยาพิษย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายมีวัตตะเป็นมูลย่อมเจริญยิ่งภายในบุคคล น, นั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ฝนตกรดอยู่บ่อยๆย่ยอมงอกงามในป่าฉชนนั้นนะ มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็สะสมมาขนาดว่าพอได้อิถาร่มปั๊บชอบเลยอ่ะใช่ไหมพอได้อนิถารมโกรธทันทีเลยไม่ไม่ต้องใครมาสอนนะบอกว่าเสียงมันไม่ดีอย่าไปชอบมันนะเออจงช่วยกันไม่ชอบนะไม่ต้องไม่ต้องเพราะมันได้ปัจจัยปั๊บไม่ชอบทันทีทีนี้รับอารมณ์อะไรก็ตามไม่พิจารณาทันทีอันนี้เป็นเป็นอัธยาศัยเว้นอะไรก็ตามที่มันมีได้มีเสียหน่อยนะ แบบเศรษฐกิจแบบโลกโลกอ่ะนะอะไรจะเสียเงินบ้างอะไรบ้างอันนั้นสุขคุมหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วทั่วไปอ่ะไม่มีที่จะไปพิจารณารีบตื่นตัวนะนี่จักขูวิญญาณ น, นี้รูปนี้ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารอันนี้ต้องเอามาเพ่งมาไขาครวนนะอันนี้ไม่ต้องรีบนะเพราะนั้นก็อันนี้ปกติของศาสตร์ทั้งหลายในวัตตะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นบทว่าธุรัตจะยังเป็นต้นความว่าก็บุคคลใดย่อมข่มคือย่อมครอบงาตันหานั้นมีประการที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วชื่อว่ายากที่ใครๆครจะล่วงได้เพราะเป็นของยากที่จะก้าวล่วงคือละได้ยากจริงๆนะที่จะละได้ไอไอความเพลิดเพลินชอบในอารมณ์ทั้งหลายนะถ้าไม่นึกถึงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาหยุดยั้งมันได้เนี่ยไ ถ้าอย่างเช่นเราชอบอะไรสักอย่างที่เห็นเห็นที่ได้ยินหรือคิดไปเรื่อยๆนะถ้าไม่คิดถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาไว้นะไม่คิดถึงการศีลที่มากสมาธิที่เยอะสมถาวิปัสนาที่เรียนรู้มาอย่างเพียงพอเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปหยุดมันได้นะมันชอบไปเรื่อยอย่างนั้นจริงๆมันยากจริงๆที่คนจะละได้ทีนี้ความโศทั้งหลายที่มีวัตตาเป็นมูลก็ย่อมตกไปในบุคคลนั้นเนี่ยนะ แต่ถ้าบุคคลที่ละตันหาได้อย่างนี้ความโศกทั้งหลายที่มีวัตตะเป็นมูลก็ตกไปจากบุคคลนั้น น, นะความโศกก็ไม่ตั้งอยู่ได้เหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวชนนั้นนะถ้าถ้าละตันหาได้เนี่ยนะทุกทั้งหลายก็หมดได้บทว่าพัททางโวความว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายอธิบายว่าท่านทั้งหลายอย่าถึงความพิราษเหมือนกับปีละพิสูจนี้เลยเนี่ยนะ ปุะเจา้าบอกว่าเราขอบอกท่านทั้งหลายนะท่านทั้งหลายอย่าทุกข์แบบนี้อีกเลยแบบงั้นนะพระองค์ก็ตือนเราหน้าดูมาเงินนะอย่างของเราก็ตอนฟังก็เออ ก, ก, ก็ก็ตื่นอยู่มาอย่างนมันก็หลับต่อกัแล้วกันบทว่ามูลังความว่าท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหาอันเป็นไปในทวารหกนี้ด้วยยานอันสัมปยุทธ ด, ด้วยอรหัตตมักให้ขุดมันนะอ่นนะบอกว่าขุดไม่ต้องขุดธรรมดานะไม่ต้องเกรงใจมันขุดให้ด้วยอรหัตตมักเนอนะเอาอารหัตตมักมาขุดเลยนะ ก็บอกว่าพูดไว้สูงสุดก่อนนะนะเดี๋ยวของเราไปสันโดษนะเออนี่แค่ข่มมันได้ก็อพอใจแล้วองเดี๋ยวเราจะไปสันโดดในกุศลก่อนท่านก็บอกว่าตัดด้วยอรหัตตะมรกไว้เลยส่วนจะทําจริงๆได้เท่าไหร่ก็ตามสมควรแก่กําลังนะนะตอนแรกก็บอกว่าให้ตัดด้วยอรหัตตะมักเลยถามว่าขุดรากแห่งตันหานั้นเหมือนอะไรแก้ว่าเหมือนผู้ต้องการแฝกขุดหญ้าคมบางฉะนั้นอธิบายว่าบุรุษผู้ต้องการแฝกขุดหญ้าคมบางด้วยจอบใหญ่ฉนันใด ท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหาเสียฉันนั้นเถิดตั้งคำถามว่าอะไรคือรากแห่งตันห า, านะตัวตันหาเราก็รู้แล้วถ้ารากของตันหาเป็นยังไงนะแปลรากเป็นบาลีว่ามูลตันหามีอะไรเป็นมูลมีอวิชาหรือโมหะเป็นมูลสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชาคือวิชาอาวิชาเนี่ยไม่รู้อะไรอวิชานะหลงในอะไร หลงในอริยสัจใช่ไหมวิชาก็ต้องเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นถ้าจะขุดรากแห่งตันหาได้จริงๆอ่ะนะก็ต้องขุดที่ที่รากของตันหาคือถ้าจะขุดวัฏตะได้ก็ต้องละตันหาจะละตันหาได้ก็ต้องขุดอวิชาอย่าลืมว่าตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดไว้เท่านั้นถ้าแทงตลอดวัตถุใดว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ในชั้นสูงสุดเนี่ยนะหลังจากนั้นตันหาจะไม่ชอบอีกต่อไปอนะ เพราะอะไรเพราะท่านบอกเลยว่าตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดไว้เท่านั้นเนี่ยนะอะไรก็ตามที่อวิชชาปิดได้นะตันหาจะเพลดิดเพลินในสิ่งนั้นแต่ถ้าวิชาเกิดขึ้นเปิดความจริงของสิ่งเหล่านั้นจนสามารถแทงตลอดอริยสัจได้ตันหาก็ก็ไม่เอาละเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับมแมลงวันเนี่ยจะไม่เกาะในของร้อนเนี่ยนะก็ก็จะไม่ติดไม่ไม่เพลดิดเพลินในสิ่งนั้นละ สองบทว่ามาโวณังวะโสโตวมาโรพินชิปุณปุนังความว่ากิเลสมารมรณะมารและเทวบุตรมารยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆเหมือนกระแสน้ําพัดมาโดยกําลังแรงระรานไม้อ้อที่เกิดอยู่ริมกระแสน้ําฉะนั้นนะนะคืออย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทําลายเราบ่อยๆเลยนะอย่าปล่อยให้กิเลสมันเกิดบ่อยๆอย่าให้ความตายเนี่ยเกิดบ่อยๆ แล้วก็อย่าให้เทวปุตตมาเนี่ยนะคนชวนไปทำบาปเนี่ยมาชวนได้บ่อยบ่ยบยมางัินเวลาจบเทศนาเนี่ยนะบวชชาวประมงห้าร้อยถึงความสังเวชเลยปราถนาจะละตันหาจริงๆเลยนะตังก็เลยออกบวชในสานักของพระศาสดาทีนี้พอบวชมากไอพ้พิสุกลมเนี่ยเสียงชอบเอะโวยวายเนี่ยนะบวชมาตอนแรกก็เห็นภัยดีอบวชมาอีกพักหนึ่งแหมเอะวยวายพูดเรื่องสร้างกุฏินะ เออที่สมมติว่าเข้ามาเนี่ยเขาชุดใหญ่นี่มีห0าร้อยมันเวลาไปที่ไหนเนี่ยกวัดนั้นเนี่ยปั่นป่วนหมดอ่ะคือแค่จัดกุฏิเนี่ยนะกว่าจะครบห้าอยเนี่ยมันไม่ใช่แบบโรงแรมที่ก็มีจัดไว้เสร็จใช่ไหมวันนี้กุฏิไหนกุฏิไหนถึงผมผมได้กุฏิไหนอาจารย์ผมได้กุฏิไหนโอ้ยวายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบอกพาโนนไปบอกว่ า, วาไปไล่พิสูรูปทั้งหมดเนี่ยไปบอกเราขอประนามเธอตั้งหลายท่านเหล่านั้นก็เลยเก็บบาตเก็บจีวรไปหมดเลย ไปก็ไปหาที่วิเวกอยู่ที่หนึ่งก็บอกว่าท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นเหตุแล้วนะเพราะถ้าเราจะแก้ตัวเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติดีนะพระองค์จึงกระชอบจริงๆท่านเหล่านั้นตั้งใจปฏิบัติจนได้รูปประชานอารูปปัจจานแล้วก็บรรลุปเป็นผ้าอรหันกันหมดเนี่ยนะภายในพรรษา น, นั้นทีนี้ท่านเป็นพระอรหันประเภทที่เรียกว่าจะเข้าพระสมาบัติระดับอรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะเช่อนออกจากอารูปประชานแล้วค่อยเข้าพระสมาบัติ เป็นกลุ่มที่เรียกว่ามัดจิตมั่นคงเป็นอเนนชะไม่หวั่นไหวจริงๆทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกแห่ทิศนั้นเนี่ยนะพิสุรุ่งเรืองแค่เรามากเหมงอนันเถอะปรากฏรุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นก็ไปบอกอนะบอกใช้พระนนเนี่ยไปบอกพิสุที่มีฤทธิ์หนึ่งรูปไปให้พิกษุเหล่านั้นมาเฝ้ า, านะพิสุเหล่านั้นก็เหาะกันมาหมดเลยทีนี้เหาะมาพระพุทธเจ้าก็เข้าอเนเชะสมาบัติก็คือเข้าอารหัตผลสมาบัตินะั่นนะพระภิสุเหล่านั้นมาถึงก็ อ้าวพระพุทธเจ้าเข้าอเนนชาสมาบัติท่านก็เลยเข้าด้วยเข้าพระสมาบัติกันหมดพาโนนก็บอกภิกษุเข้ามาถึงแล้วพระเจ้าค่ะให้ให้คือพาโนนเนี่ยเรียนจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิสันถานใช่ไหมองคไม่ได้ปฏิสันฐานหรอกต่างคนต่างเข้าพระสมาบัติหมดปฐ ม, มายามก็แล้วมัชชิมายามก็แล้วจนสว่างอนะนั่งทั้งหมดจนสว่างหมดเลยเข้าอเนนชาสมาบัติจนสว่างกันหมดเลยพอสว่างขึ้นมาแล้วท่านเหล่านั้นก็เหาะกันกลับหมดเลยทีนี้ พระนรนก็บอกอ่ะทำไมไม่คุยกันเลยนะเหมือนกับว่าสั่งม า, าคุยกันเสร็จแล้วว่างั้นเหรเนี่ยเขาคุยกันแบบนี้แหละเรียกว่าพูดปฏิสันฐานแบบไม่ต้องใช้วาจาแล้วนะเรียกว่ามาร่วมเข้า อ, อาเนนชาสมาบัติเหมือนคําว่ามามาจัดกินเลี้ยงกันไหมก็ไม่ต้องคุยอะไรมาถึงกินเสร็จก็กลับได้เลยนะก็จัดให้มาเพื่อจะมางานนี้โดยตรงอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันท่านก็เลยตอนหลังพระยะโสชะก็เป็นเอตทัทคะด้านอาเนนชาสมาบัติเนี่ยนะ อย่าลืมว่านี่คือกลุ่มโจรเนี่ยนะแต่ว่าในวัดตาสงสารในขนาดกับเดียวกันเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาแสนกับยังพลัดไปเป็นโจรจนได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยเนี่ยนะคติของผู้ที่ไม่รู้แจง้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นไอการไม่แทงตลอดอริยสัจนะวัตถุนั้นอวิชาปกปิดไว้แล้วที่เหลือก็เป็นงานของตันหาเนี่ยนะนะตัวใหญ่ๆ ห, หลักๆในาศาสนาของเราเนี่ยนะ ที่กล่าวถึงเหตุของวัตตะมีอยู่สองอย่างคืออวิชากับตันหาอาวิชานี่ในฐานะเป็นนิวร์คือเป็นเครื่องกางกั้นตันหานี่เป็นสังโยชน์คือเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัด น, นะถ้าอาวิชากับตันหาเกิดอะไรเกิดต่อก็ทํากรรมแล้วกันนี่ถ้ากรรมแล้วก็ผลก็ทํานําเกิดหน้าที่ต่างๆทีนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชาตากระตันหาได้แก่อะไรสมถะเป็นปฏิปักษ์ต่อ ตันหาวิปัสนาเป็นปฏิปัติต่ออวิชชาทั้งสมถะและวิปัสนาคู่กันได้เมื่อไหร่จึงจะทําลายทั้งสองอย่างนั้นได้เนี่ยนะผู้ที่ทําลายอาวิชชาด้วยวิปัสนาเป็นหลักเน้นตรงนี้มากพวกนั้นจะเป็นปัญญาวิมุตต์พวกที่ทําลายตันหาด้วยสมถะเป็นหลักเนี่ยนะพวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มเจโตวิมุตต์แต่ทั้งคู่ก็สมถะและวิปัสนาคู่กันแต่อันไหนจะเด่นกว่ากันเท่านั้นเอง ัน ก, การพูดถึงนิวรณ์เนี่ยนะในบทสุดท้ายที่พระองค์ตรัสว่าการมาฉันทะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละโดยประการใดเนี่ยนะก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทะนิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยผู้ที่ละการมฉันทะนิวรณ์ได้เด็ดขาดคือผ้ารหันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นค่อยพอเมื่ออระรหัตมรรคเกิดเนี่ยนะ ว่าถ้าอรหัตตมรเกิดนะบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปกามชฉันท่านิวรจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วมั น, นก็วันนี้ก็สมควรกับเวลา